ก็พิจารณาร่างกายพิจารณาปฏิกรูนาสุภาอะไรเนี่ยอย่างเจอสาวที่ไหนก็หลงรักตลอดนะก็มาดูร่างกายสาวก็โสกปลกมีหนังหุ้มอยู่นะมีรูรั่วเยอะแยะเลยมีของขโศคลกไหลออกมาตลอดเวลาพิจารณ์อย่ า, างนี้นะราคาก็หายจิตใจก็สงบเลอใจฟุ้งซ่านก็มานั่งหายใจหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนจิตก็สงบ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 ออกจากสมาธิมันก็ทุกอย่างเก่าไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเพราะฉนั้นนี่ไม่ใช่ทางนี่ท่านฝันทงมาตั้งแต่ 2,600 ปีก่อนนะว่าไม่ใช่ทางนะของเรายัางชอบทําอย่างนั้นนะไอ้าก็นั่งให้นิ่งๆให้ซึมๆไปซนะึมใต้ที่แล ว, ว่าดีนะไม่ใช่เรื่องเลยสิ่งสําคัญนะก็คือการเจริญปัญญานี่การเจริญปัญญาต้องใช้สมาธิเหมือนกันแต่สมาธินั้นมันคนละแบบกัน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 เช่นวิ่งไปดูหนังไปดูหนังเสร็ก็มีความสุขแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดความสุขแล้วก็วิ่งต่อไปไปฟังเพลงอะไนี้จากนั้นก็ไม่มีความสุขอีกแล้วก็วิ่งไปหาของกินอร่อยๆเนี่ยเราวิ่งหารูปนะที่สวยเสียงที่เพลาะที่ถูกอกถูกใจวิ่งหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินการที่ใจเราวิ่งพลานหาความสุขไปเรื่อยๆยทําให้ใจมันฟุ้งซ่าน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 อนาปานสติพพเพื่นเพิ่น ม, มันบุญนั่นแหละนะมันถูกจริด ร, รู้ลมหายใจแล้วมันมีความสุขงั้นหายใจนะจิตใจมีความสุขเิตใจก็ให้สงบสงบนะลมหายใจทีแรกก็หายใจลงไปถึงท้องลมก็ตื่นตื่นตื่นตื่ น, น, นสันขึ้นเรื่อยๆมาหยุดอยู่ที่จมูกนิดเดียวแล้วลมหายใจก็เปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่างตอนเด็กๆไม่รู้เรียกชื่อไม่เป็นหรอกถ้าเรียกชื่อตามตำราจริงๆแล้วตัวลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมลิมิต บริกรรมนิมิตเนี่ยเรารู้ไปอย่างสบายใจทําสบายๆมันจะกลายเป็นอุคหานิมิตอุคหานิมิตจะกลาเป็นตัวสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาในจิตเราเคล้าเคลียอยู่ที่ดวงสว่างนี้นะคือกระทั่งเล่นกับมันได้มันจะให้นึกให้มันโตน้ําก็โตนะ้ย่อลงมาเท่าปลายเข็มมันก็ย่อได้นะอย่างเนี้ยเล่นยืดได้หดได้อยู่นะี่นะสนุกมากเลยตรงที่ดวงนิมิตมันปรับได้ตามใจชอบเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าเราได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ย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 ร่างกายเราพักผ่อนด้วยการไปอาบน้ําไปกินข้าวไปนอนนะได้แรงขึ้นมามีแรงแล้วเอาไปทํางานจิตใจนี่ก็เหมือนกันเราให้มันพักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวสบายมีความสุขแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ต้องเอาไปทํางานงานหลักของเราก็คือการเจริญปัญญาหรือการทํำมิปัสนากรรมฐานมิปัสนากรรมฐานนั้นทําไปเพื่ออะไรมิปัสนากรรมฐานนั้นทําไปเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรา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 ถ้าจะสแสวงหาแต่ความสุขก็หลงโลกมากไปอันหนึ่งก็เรียกว่ากามสุขขาดริการุโยคหลงโลกไปเลยนะอันหนึ่งบังคับตัวเองรุนแรงเรียก อ, อัตตะกิลมัฏานโยกพระเจ้า ไ, ไม่ได้เอาวิธีเหล่านี้มาใช้ท่านค้นพบทางสายกลางทางสายกลางนะไม่ใช่หนีทุกข์ไม่ใช่หาสุขแต่เป็นการรู้ทุกข์เห็นไหมเป็นเรื่องประหลาดไหมทุกต้องรู้เคยได้ยินไหมว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญ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 นะกิเลสจะไม่เกิดร่วมกับสติเด็ดขาดเลยงั้นเราไม่ต้องหาทางละกิเลสเลยนะแค่รู้ทันว่ากิเลสเกิดมีสติรู้ทันเท่านั้นกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะที่ที่เราไม่เข้าใจเวลากิเลสเกิดเราหาทางละกิเลสดิ้นสู้กันแทบตายเลยง่ายๆแค่นั้นเองมีสติรู้ทันเท่า น, นั้นเะอง น, นี่ละได้ชั่วคราวความอยากมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันมันดับชั่วคราวแต่จะละได้ถาวรแบบพระอรหันตนะ์ก็ต้องรู้ทุกเ์แจ่มแจ้ง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 ถ้าอาธิษฐานอย่างนี้นะถ้าแปลให้ถูกต้องตามธรรมะเจ้าประภูษณอย่าได้เจอทิพานเลยเพราะไม่รู้ทุกข์ก็ไม่มีทางนิพพานนะถ้ารู้ทุกข์ได้มันก็ยังไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะนี่วิธีการปฏิบัตินี่หลวงพ่อพูดถึงวิธีการแล้วนะอันนี้พูดถึงหลักการหลักการว่าเราต้องมารู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงนะามันไม่ใช่ของดีมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเรียกว่ามันเป็นทุกข์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 วิธีฝึกที่จะให้ใจไม่ลอยไปนานนะก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งหัดพุทโธไปหัดรู้ลมหายใจไปแต่ไม่ใช่พุโทโธเพื่อบังคับใจให้สงบถ้าพุโทโธเพื่อบังคับใจให้สงบเนี่ยตึงเกินไปถ้าหายใจเพื่อบังคับจิตใจให้สงบอันนี้ตึงเกินไปเราพุโทโธแล้วเราคอยรู้ทันถ้าจิตห น, นีไปคิดเรารู้ทันเรารู้ลมหายใจไปถ้าจิตห น, นีไปคิดเรารู้ทันจิตเราไหลไปคิดทั้งวันนะหลงไปคิดทั้งวัน แล้วหลงหลงไปนานแต่ถ้าเราหัดพุดโทโธไปหายใจไปอะไรอย่างนี้นะถ้าใจไหลไปคิดแวบบเรารู้สึกแวบบเรารู้สึกมันจะไม่หลงยาวมันจะกลับมาที่ตัวเองได้พูดภาษาไทยง่ายๆเลยคาว่าสมาธิที่จะใช้เดินตัญญาเนี่ยนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่พูดภาษาไทยที่ง่ายที่สุดแล้วนะมันคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจล่องลอยขาดสมาธินะ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 มันเป็นปกตินะพวกเราสายพันธ์เดียวกับลิงยังไงมม่ต้องเก่านี่พอร่างกายมันขันน่ะเราไม่รู้สึกเราก็เก่าไปก็หายขันนะใครนั่งแล้วขยับตัวบ้างขยับทุกคนรู้สึกไหมขยับขยับทำไมต้องขยับเหมือนเมื่อยเหมือนเมื่อยนั่งนานๆเหมืนเมื่อยก็ต้องขยับเราเคลื่อนไหวเนี่ยหนีความทุกข์ไปเราไม่ทันจะรู้เลยว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์นะเราหนีไปละ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 มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหล อ, ออกนะเป็นวัตถุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเนี่ยเราคอยรู้สึกนะพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็ดูลงไปในร่างกายร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาเลยตกอยู่ใต้กลองทุกข์ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกเวลานอนทําไมต้องคลิกซ้ายพลิ ก, กว่าเพราะมันทุกข์นะคืนหนึ่งขึ้ ก, กี่ครั้งใครรู้บ้าง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 ชมูเราได้กลิ่นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเช่นได้กลิ่นเน่าๆนะอยู่ในบ้านได้กลิ่นเน่าๆนะกงนักงวลกังวลใจว่าตัวอะไรมาตายในบ้านแต่ถ้าไปพักอยู่ตามวัดได้กลิ่นเน่าๆไม่คิดถึงตัวอะไรตายนะคิดถืออย่างอื่นเผีจะมาละ <c oughs> ใจใจมันเปลี่ยนใช่ไหมได้กลิ่นอย่างนี้ใจมันเปลี่ยนเวลากินข้าวได้รสที่ถูกใจชอบใช่มไหมเจอของแม่อร่อยอะไรหงุดหงิดไม่ชอบใจมันเปลี่ยนเวลาใจเราคิด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 อ ย, กกอย่าโกรธยิ่งโกรธใหญ่เลยนะอย่ารักเป็นไปได้ไั้มอย่ารักก็รักแล้วอ่ะจะ่าบอกว่าอย่ารักรักขึ้นมาก็รู้อีกเนี่ยคอยดูที่ใจของเรานะถ้าดูกายเราก็จะเห็นว่ากายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่กายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเรายืมธาตุของโลกมาใช้ถ้าดูจิตใจเนี่ยดูตอนที่มันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกมันเปลี่ยน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 ความจริงรอง ождения, ลงมาก็คือทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแค่เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะความทุกข์เกิดขึ้นแล้วรู้ว่าของชั่วคราวใจไม่ทุกข์และความทุกข์จะลดลงไปเยอะและ้วงั้นที่เราหัดทํำวิปัสสนากรรมฐ า, านเนี่ยเพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงของชีวิตนะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้และความจริงสูงสุดก็คือทุกอย่างนี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งหมดเลยถ้าเห็นถึงขนาดนั้นเป็นพระอรหันต์แล้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 ให้ทานใจิตใจสงบกว่าคิดจะเป็นชู้เขากับสันโดดอยู่ในภรรยาของเราเนี่ยอยู่กับภรรยาเราสงบกว่านะสงบจนเฉยเมยไปเลยบางทีนะสงบมากโกหกเขาใช่ไหมฟุ้งซ่านนะต้องจำนะพูดความจริงไม่ต้องคิดมากความจริงก็คือความจริงจะกินเหล้าก็เรื่องมากนะไม่กินสบายกว่านศีลเนี่ยถ้าถือไว้เราจะสบายสงบง่ายศีลถือเพื่อให้ใจสงบง่าย พอมีศีลแล้วเราก็มาฝึกให้ใจอยู่กันเน้อกับตัวใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะเดี๋ยวจะพาฝึกกรรมาฐานว่าใจลอยแล้วให้รู้ทันถ้าใครรู้ไม่ทันก็ถือว่าสอบตกฝึกกรรมาฐานกับ ห, หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่แค่สงบนะสงบนี่เรื่องเด็กเด็กเด็กมากๆเลยเรื่องฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจิตมันไหลตลอดเวลานะเรามาฝึกให้จิตใจอยู่นเนอกับตัวเรื่อยๆนะ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 ถ้าที่นี่ไม่พอแจกไปเอาที่วัดได้นะแจกให้ฟรีนะไปฟังบ่อยๆฟังแล้วเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วไม่ยากอีกต่อไปและโหลปู่ดูลสอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะแค่นี้เองผู้ไม่ปฏิบัติคือคนลืมกายลืมใจตัวเองเนือเอาแต่นั่งเพ่งนิ่งๆไม่เรียกว่าปฏิบัติครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่เทศเข้าไปที่วัดท่านคนเยอะมากเลยตอนท่านอยู่เนี่ย กลางคืนันไปนั่งสมาธิกันเยอะในโบสถ์นะเดินจงกรมอยู่รอบโบสถ์นั่งสมาธิในโบสถ์เต็มไปเดินดูโอ้มีเด็ดคนนั่งเพ่งเพ่งแบบเครียดเครียดกับพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เขารบในพระธรรมไปด้วยก็แง่เคลิ้มไปขาสติพวกหนึ่งตึงไปพวกหนึ่งหย่อนไปในใจก็นึกนินทาเขานะต่นนั้นกิเลสเราไม่ดูแล้วนินทาเขาไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยที่เนี้ย คิดแค่นี้นะเช้าเจอหลวงปู่หลวงปู่มองหน้าหลวงพ่อนะท่านก็พูดเลยๆยิ้มยิ้มที่นี่เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะโอ้โหท่านสอนนะคือแทนที่จะดูตัวเองก็ไปดูคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งสมาธิโต o รุ่งเนะี่ยไม่ใช่เรียกว่าปฏิบัติหรอกนะเดินจงกรมทีละหลายชั่วโมงยังไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติหรอกนะอาจจะนั่งเรื่อยเปื่อยเดินทรมานกายก็ได้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 บุคคลร่วงทุกได้นะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะพุณเจ้าบอกปัญญาก็คือการเห็นความจริงของรูปนำไกยใจอเชิญใครจะถามเชิญมีไหมไม่มีลำดับต่อไปขออารัธนาหลวงพ่อนำพวกเราเจริญสติเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะนี่เปลี่ยนใหม่นะทีแรกบอกจะให้ชวนเจริญสมาธินี่เปลี่ยนเป็นเจริญสติแล้วสมาธิก็จาเป็นนะ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 เราจะฝึกคอยรู้ดูทันเมื่กี่เขาให้ฝึกสตินะสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายใใจปัญญา <em JA> เป็นตัวเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจคอนจะเข้าใจได้ต้องรู้ทันก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เกิดก็เห็นความจริงว่าความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธก็บังคับไม่ได้ความโกรธก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาในนี้เรีมีปัญญานะ งั้นถ้าเราจะฝึกสติในเบื้องต้นพวกเราทำกรรมฐานอย่างที่เคยทำซะก่อนถ้าใครยังไม่เคยทำอะไรเลยนะหัดท่องพุทโธไว้ก่อนนะลราท่องพุทโธในใจถ้าใครเคยหายใจเคยทำอนาปนาสติก็ทำอนาปนาสติไปใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปนใครเคยขยับมืออย่างลงพระเทียนก็ขยับไปกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันทั้งสิ้นนะแต่ว่าให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไป จิตจะไหลได้สองลักษณะเท่านั้นคือไหลวิคิดก็ไหลเข้าไปเพ่งไอตัวที่เรากําหนดไว้เช่นดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยให้รู้ทันอย่านี้เป็นสมถะและ้วหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันจิตมันจะเคลื่อนที่ได้ก่อนจะหลับตานะเห็นไหมทําไมต้องหลับตาเากหลับตาไปเกือบหมดห้องแล้วเคยได้ยินผู้ที่เจ้าสอนสมาธิไหม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 เห็นไหมบางคนจิตไหลไปที่ท่านผู้อำนวยการนึกออกไหมจะหลับตาก็ได้นะแต่ว่าจิตเคลื่อนไปต้องรู้ทันอย่างขนาดที่เรานั่งเนี่ยถ้าจิตเราเป็นเคลื่อนไปนะให้เรารู้อย่าท่านผู้อำนวยการนั่งใช่ไหมจิตมันไหลไปมันเคลื่อนไปคิดอย่างนี้แค่เรารู้ทันนั่งรู้ทันใจตัวเองไป จะได้สมาธิขึ้นมาคณเสื้อเหลืองคิดไกลๆเลยจิตมันหนีไปค่อยๆถอยจิตออกมานะนั่งเป็นตัวอย่างหลวงพ่อไปเทศมาลหลายที่ที่นี่นั่งสมาธิได้ดีกว่าทุกที่เลยนึกถึงบุญกุศลของเรานะถาวาย บุญของเราแ้่พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สัตว์ทั้งหลายำกำหนดจิตไปเวลาจะออกจากสมาธินะหายใจแรงขึ้นหายใจลึกๆแรงๆนะยาวๆจะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าถอยพลดพลาดออกจากสมาธินะปวดหัวนั่งได้ดี ด้ดีมีคอสนั่งกันบ้านะนั่งกันได้ดีสังเกตไหมตอนที่เรานั่งพอนานนะจะตอนที่เราแผ่ส่วนบุญเนี่ยจิตเราไม่เหมือนกันนึกออกไหมตอนที่เราแผ่ส่วนบุญนะจิตเราสว่างขึ้นมาทาไมตอนนั่งจิตมันซึมไปหน่อยจิตมันซึมซึมเวลานั่งอย่าให้มันซึมนั่งรู้สึกรู้สึกไป ถึงจิตจะสงบนะก็สงบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่เคลิ้มขาดสติไปอย่ารู้สึกตัวไว้สติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออย่ากระทั่งจิตจะสงบนะที่เรานั่งหายใจไปจิตสงบร่างกายหายไปนะยังไม่ขาดสติเลยนะใจไม่ได้หลงฝันเคลิ้มๆไปก็รู้สึกไวปเราพอไปเทศแล้วนํานั่งสมาธิบก็หลายแห่งนะที่นี่ดีที่สุดเลย นั่งได้ดีสังเกตไหมพวกเราจํานวนมากเลยนั่งแล้วจิตสายไปสายมานึกออกไหมต่นั่งทีแรกจิตสายสายใครเห็นจิตที่สายบ้างนะงี้นเวลานั่งสมาธินะอย่าไปบังคับจิตจิตมันสายก็แค่รู้นะเหมือนเราเห็นคนอื่นเราไม่ต้องเข้าไปแทรกแสงถ้าจิตมันสายแล้วเราเกิดราําคาญให้รูวร้วนะ่ารําคาญแล้วจิตมันค่อยสงบลงมา เรารู้เน้อรู้ตัวอยู่ไม่ให้ขาดสติถ้าหายจะเอ้าภาวนานะหายใจแล้วก็ละเอียดละเอียดแนละ้วแล้วเคลิม้มมัวมัวไปมืดมืดมัวมวนะสติอ่อนไปแล้วสมาธิล้าหน้าสติอ่อนไปหายใจให้แรงขึ้นนิดหนึ่งจะต้นความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเราจะต้องกระทั่งจิตรวมนะก็ไม่ขาดสตินะไม่ใช่จิตรวมแล้วหมดสติลืมเนื้อลืมตัวไม่ดีเลย สติจำเป็นมากถ้าเราฝึกตัวเองให้เคลิ้มไปเรื่อยนะจิตมีโมหะถ้าจิตเราคุ้นเคยกับโมหะแล้วเราตายด้วยจิตชนิดนั้นเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ใช่เรื่องดีเลยงนั้นพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกเรื่อยๆหายใจไปแล้วรู้สึกเย่าตที่เราเริ่มนั่งใหม่ๆรหลับตาเงี้ยเราหายใจเราจะเห็นเลยจิตเราเที่ยวสายไปสายมานะบางคนก็เที่ยวสายว่าจะไปดูอะไรดีนะ เที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีให้รู้ทันว่ามันเที่ยวหาอยู่มันสายอยู่รู้เฉยๆรู้สบายๆเหมือนดูคนอื่นไปเรืนน่อยน่าใจมันจะค่อยๆ น, ๆนิ่งๆรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสตินะแล้วถัดจากนั้นถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจหรือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจเราก็ค่อยรู้เอาเช่นนั่งไปนั่งไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนั่งแล้วจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนี่คือหลักที่ผู้เชี่ยสอนไว้นะดูกพระภิกษุทั้งหลาย เมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนล่จิตหดหูรู้ว่าจิตหดหูนะรู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆการที่จะฝึกสตินั้นไม่ได้ฝึกด้วยการบังคับตัวเองแต่ฝึกด้วยการรู้สภาวะอย่างที่เป็นบ่อยๆสตินั้นสิ่งที่ทำให้สติเกิดนั้นไม่ใช่เพราะเราสั่งสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สติเกิดจากถีระสัญญาทีระคือคนไทยใช้คาว่าสะเขียนนนงสัญญาคือความจาได้จาได้อย่างแม่นยา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 ไม่ประชุมกันจะต้องฝึกจนกระทั่งทุกอย่างอัตโนมัตินั้มันรวมลงที่จิตที่เดียวเพราะนั้นตรงที่เราจะต้องฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเนี่ยสําคัญที่สุดเลยในคมภีร์ของเราในพระไตรปิฎกสอนว่าสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ที่เหลือให้มาประชุมกันลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันมันคล้ายๆการผนึกกาลังของกุศลทั้งหลายแหล่ที่เราเคยสร้างเคยทําทานรักษาศีลเคยทํากันคนละเวลา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 ไม่ยากหรอกแต่ว่าต้องฝึกให้เป็นนั่งสมาธินิ่งอย่างเดียวไม่ได้กินนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะสรุปหลวงพ่อถามนิดหนึ่งใครมีความสุขบ้างยกมือสิลองดูสิความสุข ท, ที่ที่มันมีอยู่ในใจเราเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้สุขแล้วรู้สึกไหมมันนิ่งแล้วมันกลายเป็นอุเบกขานี่แหละไม่เที่ยง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 ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เ, เครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แ ด, ด่หลวงพ่อปราโมดปราโมโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับรรเพื่อประโยชน์ชนและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว สิ้นกาลนานเทิญตั้งใจรับพรที่จริงพระยะถาไม่ได้แปลว่าให้พรนะยะถาก็เป็นแค่คําสอนอีกอันหนึ่งนั่นแหละบอกว่าคาทานทีละน้อยทีละน้อยนะสะสมไปก็เยอะขึ้นลงท้ายท่านก็บอกว่าการที่เคารพผู้ใหญ่เป็นเรื่องดีนะที่ว่าอายุวะหนูสุขังพหลังเกดจัด เรารู้จักเคารพป้อนน้อมต่อผู้ใหญ่ๆที่นี่ก็ต้องเคารพผู้มวยการถึงจะอายุวันโนสุขังพลังไม่งั้นไม่หรอก น, นั่นไม่ใช่คําให้พรที่ไร้สาระหรอกนะจริงๆมันเป็นคําสอนนี่เราแปลไม่ออกเราก็นึกว่าพระให้พรแต่ไม่เป็นไรเ้าให้มันหนาแล้ให้ต่อะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวามวะอิโตดินนางเปตานางอุป ก, ะกะปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวาสมิชชตุสเพภูเรนตุสังกปาจันโพนรโซยถามนิโชติระโศยาัาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังุทธาปจายิโน